ทารตังเคียเป็นอุบายอันหนึง่งสิ่งนักตังทั้งหลายจะ <c oughs> ต้องกาหนดเดัดจำพอเป็นการศึกษาทางด้านจิต ด, ด้านใจอันหนึง่งทุกคนที่เกิดขึ้นมา จะต้องอาศัยการระดับรับฟังจากคนอื่นถึงจะถ่อยคำภาษาในว่าทางโลกทางทํามยอมอาศัยการได้ยินได้ฟังเพีย ก, ก่อนเช่นนั้นการฟังเทศก็เป็นการศึกษาหาความรู้เพื่อให้จิตใจองบสนสงบรางับ าอารมณ์ต่างๆการกำหนดจุดกำหนดใจฟังเป็นที่ตั้งของสติปัญญาอันหนึง่งแท้จริงว่าจุดสู่ตังและเกษตรปัญญาผูกฟังด้วยดียอมได้ปัญญาการฟั้งคำทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนเคยได้ยินได้ฟังมาแต่เท่ว่าความตั้งใจฟัง ที่จะเกิดปัญญานั้นต้องอาศัยความสงบของจิตเสียก่อนจิตท่าหากไม่สงบจะนึกคิดไปส่วนใดยอมมใด่อมไม่แจ่มใสเหมือนกันกับเราวิ่นจะมองดูสิ่งต่างๆย่อมไม่เห็นถนัดถ้าเราหยุดนิ่งจ้องตาดูจริงจังสิ่งนั้นย่อมเห็นขนัดขึ้น จิตใจของเราทุกท่านทุกคนเสมือนกันท่านจึงให้อบรมจิตใจให้สงบเสียก่อนจึงเป็นที่ตั้งของปัญญาได้เพราะใจสงบเป็นรากฐานสำคัญเกิดนั้นพวกเราทุกท่านจึงควรสงบใจไว้ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งเมื่อการอบรมด้วยการตั้งเหตุตั้งทำ ถึงแน่นว่าเราจะไม่ส่งกระแสจิตมานึดคิดกับท่านผู้แนะผู้สอนก่อตามเราตั้งใจอยู่ในอารมณ์ของเราเช่นพุโทโธธรรมโมสังโฆหรือจิตยิจิตเจมิญนาอา ว, าวัยวะต่างกายทั่วไปก็ดกีดใหจิตจิตตามหรือนึดคิตอยู่ในสิ่งนั้นการแสดงคราม ทุกค่อยทุกคำเมื่อเราตั้งใจว่าอย่างนั้นจะเข้าไปสู่ประสาทหูของเราเข้าไปถึงใจให้ได้ยินแฉนใสและพิมิธิจเจนในคำที่ท่านพูดออกไปจะมีเหตุผลดีช่วยอย่างไรที่จเจรณาแ่นใสเข้าใจจริงจังในตนแล้วลงมือปฏิบัติตาม นี่เป็นทางให้เกิดปัญญาในการประดับจักฟังกานเต่าว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้มีสามทางคือทางหนึ่งสุตตะมยายปัญญาได้แก่ปัญญาเกิดจากการในศึกษาเราเรียนหรือการได้ยินได้ฟังแล้วนำไปทีนิดที่จะรณาดูรู้เหตุรูผล ในคำที่ท่านแนะนําและสั่งสอนไปทำให้ผู้ได้ยินได้ตังเกิดปัญญาขึ้นแก้ไขสิ่งที่ชั่วของตัวออกได้บําเพ็ญสิ่งที่ดีให้เกิดให้มีสิ่นในกายในใจของตนข้อที่สองยินตานยักปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการ น, นึกคิดความดาการ น, นึกคิด เป็นทางที่จะให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าของเราจะออกที่เนื่อติกลมที่ออกบรรทายตาก็อาศัยารนจิตเปนเรงต้นนืจได้ยินได้ฟังเนืจิตติดตามเรื่องผีตนได้เห็นได้ยินหรือเ่องจิตลงแต่งต่างๆแต่ว่าเรียนธรรมชาต คือมีอยู่กว่าดางดังนั้นนิิตเป็นบ่อกเกิดของปัญญาเบื้องต้นเหมือนกันเกิดนั้นท่านจึงว่าเป็นทางให้เกิดปัญญาถ้านิสิตไปในทางที่จิดจะย่อมเกิดนิดสชาทิิเกิดความเห็นผิดต่างๆนานาไปความ จ, จิตใจให้ตั้งาหารในทางชั่วตางหานิสิต ไปในทางที่ดีนี่อยายกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นทางที่ชอบความคิดความเห็นที่เป็นคิดไปก็เกิดความสว่างสวัยเกิดความแจ้าสามารถที่จะทำความดีให้พรวีคูณขึ้นไปนี่การนิคิตเป็นทางที่ให้เกิดปัญญาจะนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ทั้งสองอย่าง ทั้งสุดตามายาปัญญาจินตามายาปัญญาเป็นปัญญาที่ตับผู้ภาวนาไม้ปัญญาไม่ไดับภาวนาไ <c oughs> ม้ปัญญาหมายถึงความกาหนดเกิดจ่อต่ออารมณ์อันใดอันหนึ่งใจจิตของตนเข้าไปสงบระ ง, งับยุดที่เข้าไปสงบระ ง, งับดับความปรุงแต่งของใจ แตงงลงไปแล้วจะมีทะรรอันใดอันหนึ่งขุดขึ้นจากจิตของตนเองชั่วก็บอกตัวใม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่ชั่วไม่ควรทาดีจะบอกขึ้นในจิตในใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกการเกิดขึ้นหรือขุดขึ้นของการภาวนา ในระยะจิ่จิตของเราขอไปสงบแ้ะงับเป็นสิ่งที่แน่นอนเชื่อถือได้สัน่นเสือภาวนามมยาปัญญาเป็นปัญญาขั้นสูงบุคคลที่ทำจิตของตนให้สงบ้วงับในการภาวนาเป็นของสำคัญทำจิตทำใจของ คนผู ant, h, in Julia, ian, the the alum, h, ้กระทําำบำเพ็นให้เกิดเนสิ่งที่ถูกต้องเป็นความามาละสิ่งที่จิตที่จิตเคยยึดถือได้การภาวนาจึงเป็นเรื่องสาคัญที่พวกเราทุกท่านควรอบรมให้เกิดให้มีขึ้นเพราะภาวนาเป็นทางที่เกิดสติเป็นทางที่เสิดปัญญาความสา ละถอนความชั่วบำเพ็ญความดีให้สวีภูนขึ้นการภาวนาเมื่อหากจิตสงบระงับจริงจังเห็นขนประจั์ในตนคือความวสว่างสวัยหรือความขุดขึ้นของใจเราจะได้ยินได้สั่งทำทำต่างสอนของพระพุทธเจ้าด้วยตนเองไม่ต้องไปอาศัยฟังจากคนอื่นเพราะ ความรู้ที่จิตสงบระงับได้นั้นจะผุดธรรมะขึ้นทำที่ผุดขึ้นจากจิตใจเราได้ยินเดือดตนเองถนัดชัดเจนและเป็นการตังทำเดือดตนเองในต่องอาศัยบุคคลผู้อื่นโดยการเชื่อของเราที่จิตสงบระงับและมีธรรม ้นเกิดขึ้นจากดวงจิตของตนเองเชื่อแน่นอนยิงจังลงไป็เปนเป็นอัจาระศรัทธาที่ศรัทธาที่แน่นแฟ้นไม่งอนเงีเป็นศรัทธาที่ถอนไม่ขึ้นอย่างลงลึกใารจะมาว่าอย่างไรก็ไม่หวั่นไหวเพราะใจของเราเคยได้อบรม เคยได้ึกฝนเคยได้สงบเคได้ระงงับความเชื่อชนิดนั้นแหละทา่เรียกว่าอาจระศทาเป็นศัทาที่แจ้งว้าสามารถไม่ยอมเชื่อบุคคลผู้ใดใายผู้หนึ่งนอกจากผู้สีรู้ที่เห็นที่เป็นอย่างเดียวกันถ้าหากคนจะอ้างสำหรับตำราหรือนำทม มาจากคนอื่นมาพูดย่อมไม่เท่าถึงจิตใจชนิดนั้ น, น, นเกิดนั้นปัญญาเกิดจากการภาวนาจึงเป็นปัญญาที่แน่นอนเป็นปัญญาที่สามารถถอดถอนเรื่องกิเลสปัญหามาณที่สตรเป็นปัญญาที่สามารถตัดาดตัดหานกิเลสปัญหาอยู่ในกายในใจของตนออกไปได้ผู้ที่ภาวนาเข้าไปถึงขั้น ใจงดแรงนะักท่านทำพุทธขึ้นจากจิตจากใจจะไปอยู่ในสถานที่ใดแมาจะห่งางไกลจากครูบาอาจารย์ห่งไกลจากสำหรับํำราหรือหมูคณนะก็ฟังคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกการทุกเวลามีแต่นะคือพระพุทธพระธรรมเป็นที่ซึ่งพิงอิงอาศัยไม่ไดยอยู่เดียวเดี ย, ดยตัว อยู่สถานที่ใดเห็นอะไรที่นิพพยจรณาเป็นธรรมะไปทางนั้นไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนสนุกฟั่งคำคำําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดกาลเกิดนั้นเราฟั่งคำคำําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากคนอื่นจากครูบาอาจารย์หรือจะอ่านตหรับตาราก็เป็นคำคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือท่านผูู้ แต่เถ้าว่าจิตใจของเราจะเชื่อแน่ลงไปหรือจะอยังเข้าเป็นอัอจฉราาิยะทาอันแน่นอนยังเต็มไปไม่ได้ต่อเมื่อใดเราอบรมจิตอบรมใจของเราให้ยังเข้าถึงความสงบคทำที่ปลดขึ้นจากตนของตนเองได้ยินได้ฟังขนาดชัดเจนและจิตที่เคยเชื่อผ่านเคยคิดอ่านหรือปรุงแต่งต่างๆ พอไปสงบระ ง, งับเป็นเอจเทศไม่มีอารมณ์สัญญาอะไรที่ได้ผ่านในความสงบอันนั้นความอัศจรจันความแปลกประหลาดความรู้ที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นมาแต่แต่ก่อนเกิดขึ้นเราจรึงเชื่อ เรื่องของความคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของแน่นอนเป็นของชัดเจนเราบำเพ็ญขนาดนี้ก็ยังเห็นความดีวิ่เศ็ดแต่เดิดขนาดนี้ความห่วงยุ่งเยิงกับเรื่องของตายไม่มีตายจะมีอยู่แต่เท่ว่าจิตไม่ได้เกี่ยวข้องจิตสงบร่างับดับนิวรรลงไปอย่างนั้น อาตัดยิริยาทีลเรานึ่งจะนั่งอยู่ด้วยวยิธีพับเทีหรือจะนั่งขัดถ้าหมัดหรือจะนั่งอย่างไรก็ตา ม, เ, ามเวท่านเจอความเจ็บปวดของตายจะมมีในจิตในใจดับาหายไปทีหมดวางตายทั้งค้นในตาขวดแต่เราหนึ่องเรานอนหรือเร า, น อ, นเราอยู่สถานที่ใดตายเบา ฉันไม่รู้สึกจิต่อเบาไม่รู้ว่ า, นาหนักบ้านหน่วงไม่รู้ว่าอยู่อย่างไรใจอย่างไรมีการทำการเลี่ยงทั้งเลกห์แค่จะล่ำรวยเพื่อดีอย่างไรถ้าไม่มีความสนใจใ น, น, ในเรื่ อ, อ, องเหล่านั้นสนใจทางใจเลี่ยงของตนเพื่อจิตเพื่อรับความสงบเงนี้บ ขนามแนั้นอยากจะให้สงบระงับอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่เทราว่าความสงบเป็นการเป็นเวลาเป็นชาเป็นเสมอเคยทำได้บางทีแต่ทำไม่ได้แต่ความเชื่อที่เราเคยไปทดสอบเขาาเ้าก็ไม่ถอดไม่ถอนยังดึงอยู่ในใจยังติดอยู่ในใจเสมอไปถึง ท, ทำไม่ได้ก็ท้อเสีย ที่เราทำยงเพียงพอบริบูรณ์ถาเราเพียงพอบริบูรณ์าการกระทำบรรเทิงของเราความนั้นไม่มีใครคือมาทำแห้รหรอเอามาใสราตัวของเราเองทำไมมันเป็นไปได้เวลานี้มันทำไม่ได้มันขาอะไรกะต้องสืบสอบที่นี่คือะไรนาและความเชื่อตอนที่มันเป็นไม่เยเลิกลจากจิตจากใจท่องตนเกิดนั้น ท่านจึงได้ อ, อาจระศรัทธาดีศรัทธาที่เสื่ออย่างแน่นหนาสาให้ม่มีรัน ม, มีเวลาที่จะถอดถอนออกมาจากความเสื่อมตอ้นด้างถึงใครจะว า, าศาสนาเสี่มศาสนาเสียนาายักนณิธานไม่มีทำดีไม่ได้ดีาำชั่วไม่ได้ชั่วท่านผู้ที่นึกทีา่าจในความจิตใจปฏิบัติจิตใจแค่ไปถึงขั้นหงบอย่างนั้น เ่าจะพูดกันทํางาันทั้งคื น, น ต, ต่างๆ ท, ท่านตะนียันเชื่อไม่ว่าต่างแจกมนุษย์รรมาดางเนี่ยเทวด า, ายินสมจะมาบอกว่าเร่งนี้ขาบนับขาบผลเพราะเป็นเวลารืที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแแล้วมากผลหมดไปหายไป ไ, ไ, ไม่มีอะไรจะเหลืออยู่ จไปพปฏิบัติอย่างไรยอมเมตจนเมตไปเขาจะพูดท่าไรขันผู้ที่สงบร้างนับดับจิตเวียนแสนลงไปได้เสีวกาเสียเวลายอดเมตเชื่อเพราะเขาได้ร่างับดับลงไปให้เห็นผลไปจากสิ่งแรกทางแห่งนักขนอดจีงจังเรื่ยงการปฏิบัติความสงบสงัดของจิตของใจยอดเมตปากรุตอันนี้ผูกแบบปฏิบัติ ขันออ้นตาสดุดเป็นการเป็นสมัยอยู่หรือก็ความการกินกินจังๆจสนุกสนานจนเป็นดาสีทำได้ทุกการทุกเวลาในาาได้การใดสมัยเดาเข้าได้ออกมา้ในเรื่องความสงบสงบท้องใจเหมือนกันกับเรามีบ้านอยู่เรือนนอนจะเข้าไปพักผ่อนเวลาใดเข้าไปได้ นี่คือการสนุ่งสนานของจิทของใจการที่จะสนุ่งสนานได้อย่างนั้นก็เพราอาศัยการแต่ชดปฏ่บัติในหยุดไม่อยอมน้าที่มันขอบมันท้องหรือมันเหนื่อยไม่รวมเราจะพึงต้นเหวียงนึกคิดแค่ว่าเราทํายังไม่ถึงยังไม่พอแต่เรื่องของมันเพราะเรื่องที่มันไม่ลงไม่รวมไม่ใช่าคนอื่นหยุดยั้ความดีสี่เรา เตยประสบเเห็นมือจากตัวของเราเมื่อมันลงไมรวมก็ไม่ใช่คนอื่นแบบแขนหรือหอดเมื่อมันแห้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการแระเคลปฏิบัติของเราต่างหากเมื่อเรารู้สาเหตุอย่างนั้นการแระเคลปฏิบัติของเราจึงเป็นของสำคัญมันจะลงจะรวมก็เป็นเรื่องของมันมันจะไม่ลงไม่รวมก็เป็นเรื่องของมันแต่แค่สาคัญเศษที่จะทำมั่นเพิงของเราให้ ตั้งน้าต่างตาาแ้วไอ้กำหมดจริงจรงจังๆความจริงจะไม่เห็นผลจริงยอมเป็นของไม่มีเพราะวาวามจริงในสิ่งใดสิ่งนั้นจะนเวนดเล่องไป้า้การในามจริงจะอยากได้ของจริงก็ยอมได้เปนได้เพราะเกิเหมาสมกับผลเกิดนั้นพวกเราทุกท่นที่เข้ามา จำถิมทยวันเม่อบรมปายลายจาแล้แน่นใจท้างตนในรันเซ่นนี้ไทยภาษาแฉะเรียกได้วันอุโบสถคือวันเท้ามาะงบความะงบของเราจะสงบได้ก่ออาศัยการตั่งใจกำหนดจดต่อต่อบทธรรมหรือจากที่นี้ที่แจเนอเอาเยอะล่างตายของเราตงเจอผมขนรถไฟเข้าไปจนถึง หนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกสิ่งทุกส่วนให้กระแสจิตติดตามจิตนึกอยู่ในอายะอ่างใาของเราไม่ให้ตรงไปสู่เรียงนอกหน้าเราที่เรณาขึ้นพิจารณาลงส่งใจจำหนดอนุมานเรียงผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทกสิ่งทุกส่วนในร่างกายของเราให้แน่นอนลงไปใจที่ไม่ไปสังคม เกี่ยวข้องกับเรื่องของภายนอกถึงแม้น่ายังไม่สงบ ก, ก็จะได้รับความสุขความสบายเพราะไม่ได้ไปก่อป่วยแย่มันอื่นมาเกี่ยวข้องกับจิตกับใจเกิียดนั้นการที่ใจสงบได้ก็เพราะอาศัยเราตั้งใจการตั้งใจจึงเป็นบาดฐานสำคัญที่พวกเราทุกท่านจะต้อง ทนิดที่มานะเราเข้ามาจากเกาจอสถานบ้านเรียนเราสร้าความสุขของเราเคยกินขา้าวตอนั่นตอนเย็นเราก็ไม่ดีอยู่ได้กินเราเสียใจเข้ามารักษาศีลแต่หรือเราเคยนั่นอนแต่ฐานที่ถุขสมายมีผูกเพราะบหมอนต่างๆเราก็มาในรัดในวานอนเตียงนอนกระดานเฮ้ เพราะอย่างอยู่บ้านของเราไม่มีแต่ถึงกระนั้นเราก็ยินดี